หลายปีก่อนนะมีคณะถ่ายทำหนังสารคดีคณะหนึ่งเนี่ยไปทำสารคดีในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในชนบทหลังจากที่ใช้เวลาประมาณ 3-4 วันในการถ่ายทำนะก็คุ้นเคยกับชาวบ้านที่นั่นพอสมควรวันนึงเนี่ยขณะที่กองถ่ายเนี่ยกำลังพักอยู่ก็มีคุณป้าคนหนึ่งถือปลาพวงใหญ่เลยเนะเดินผ่านมา คุณป้าก็เลยทักทายกองถ่ายนะซึ่งเป็นคนหนุ่มคนสาวนะ7ะคนพูดคุยสักพักคุณป้าก็ถามคนในกองถ่ายว่าเนี่ยปลาพวงเนี่ยทำไงถึงจะกินได้นานถ้าเป็นสามนเณรเจอคำถามที่จะตอบว่าอย่างไงนะปลาพวงนึงเนี่ยนะมีหลายตัวเลยปลาช่อนปราดูก อทั้งไงนี่กินได้นานเอาไปหมักเกลืออ่าแล้ว ม, มีอะไรอีกเอาไปตากแดดไรอะไรอีกฮะเอาไปต้มแล้มีทื่นอีกมะบางคนจะบอกว่าไปแค่ในตู้เย็นคุณป้าบอกว่าผิดหมดเลยปลาพวงนี้ใช้กินได้นานนะต้องเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านให้ทั่วถึง แปลกไหมเอ๊ถ้าไปแบ่งให้เพื่อนบ้านเนี่ยไอ้ที่เราเหลืออยู่เนี่ยมันก็น้อยลงสิแล้วจะกินได้นานได้ยังไงใครตอบได้บ้างเนี่ยแบ่งให้เพื่อนบ้านที่ทั่วถึงแล้วแล้วทาไมถึงกินได้นานเพื่อนบ้านก็จะตอบแทนเราถูกต้องถึงเวลาเราไม่มีปลากินเพื่อนบ้านก็เอามาแบ่งให้เรา <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการ แบ่งของให้กับเพื่อนบ้านหรือให้กับใครก็ตามเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้ให้เราเดือดร้อนเท่าไหร่เลยมันกลับเป็นการช่วยให้เราเนี่ยมีกินมีใช้ได้อย่างยืนเรียกว่ามีหลักประกันมากขึ้นมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นประเทศที่ประเทศจีนนะเอาสามเณรฟังหน่อยพราะเดี๋ยวจะให้สามเณร ตอบคำถามนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจประเทศจีนนะมีหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวสวนผลไม้ที่ปลูกคืออะไรคือลูกพลับใครรู้จักรูปลับบ้างข้างหน้าไม่รู้จักเหร อ, อะรู้จัไมไ้มไม่รู้จักใช่ั้ย ลูกพลับลูกพลับคงเคยกินแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าอันนี้คือลูกพลับเพราะเดี๋ยวนี้ผลไม้มึงจีนนี่พวกเราได้ชิมกันทั้งนั้นแหละแม้แต่อยู่ในหมู่บ้านขนาดอยู่ในหมู่บ้านเงี้ยได้กินแอปเปิ้ลเลยนะกินสาลี่ยังมีได้กินเลยลูกพลับเนี่ยนะพอถึงใกล้ถึงฤดูหนาวชาวสวนก็เก็บลูกพลับหมดเลยหมดทั้งสวนเลยไม่เหลือลูกพลับขาต้นเลย พอฤดูหนาวมาถึงบอกว่าปีนั้นเนี่ยมันหนาวมากหิมะตกหนักนกเนี่ยที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรกินเลยมันไม่มีอะไรเหลือให้นกกินเลยโดยพราะนกกลางเขนซึ่งอยู่ที่นั่นมากบอกว่าฤดูหนาวปีนั้นเนี่ยนกตายไปหมดเลย เพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรกินหิวโหยพอฤดูหนาวผ่านไปฤดูอะไรตามมาอะไรที่ถัดจากฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลพอถึงฤดูใบไม้ผลเนี่ยนะลูกพลับเนี่ยมันก็ค่อยๆ อ, ออกดอกแล้วก็กลายเป็นผลเล็กๆนะออกดอกออกผลนั่นเอง แต่ปรากฏว่าพอลูกพลับเนี่ยเริ่มออกนะเป็นหน่อเล็กๆนะเท่าหัวแม่โป้งเนี่ยหนอนหนอนมันก็มากินลูกพลับปีนั้นเนี่ยหนอนมันเยอะมากเลยหนอนเยอะมากกินลูกพลับเนี่ยที่กำลังออกมา เป็นลูกเล็กๆเนี่ยหมดไม่เหลือเลยก็กลายเป็นว่าปีนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยหรือชาวสวนเนี่ยเก็บเกี่ยวลูกพลับไม่ได้เลยขาดทุนแล้วชาวบ้านคนหนึ่งก็คิดว่านเนี่ยไอ้ที่นอนเยอะเนี่ยนะเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะไม่มีนกเนี่ยมา ก, กิน อาหารของนกคืออะไรนอนเรยเพราะนกกังเขนี่มันชอบกินนอนมากเพราะฉะนั้นปีต่อไปเนี่ยเมื่อชาวบ้านลงทุนปลูกลูกพลับปลูกต้นพลับใหม่เนี่ยแล้วก็ดูแลจนกทังมีลูกนะพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะชาวสวนจะไม่เก็บหมดจะเหลือไว้ หลายลูกขาตน้นก็มีบางคนบอกว่าทำไมไม่เก็บให้หมดชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าแบ่งให้นกกินบ้างนะเหลือให้นกกินบ้างแล้วพอถึงฤดูหนาวนะฤดูหนาวเนี่ยในเมืองจีนเนี่ยหิมะตกเนี่ยใบไม้หรือผลไม้มันก็ตายเยอะ แต่ว่าในส่วนนั้นเนี่ยมีลูกพลับเหลืออยู่นกเนี่ยนะจำนวนมากเลยด้วยพระนกกลางเขเนี่ยมันก็อาศัยลูกพลับเนี่ยที่ชาวบ้านทิ้งไว้ขาต้นเนี่ยกินเป็นอาหารก็เลยไม่ตายฤดูหนาว น, นั้นเนี่ยนกไม่ตายเพราะมีอาหารนอกจากนกยังมีชีวิตยอยู่แล้วเนี่ยนกยังชอบใจอยู่ตรงนั้น ในสวนที่ดีนะมีอาหารนกก็เลยอยู่ที่สวนนั้นเนี่ยหรือบริเวณนั้นเนี่ยกันเยอะเลยพอฤดูหนาวผ่านไปฤดูใบไม้ผลตามมาลูกพลับก็เริ่มนะออกออกสะพังเลยนะแน่นอนนะนอนก็โผล่มาแล้วเพราะอาหารของหนอนก็คือลูกพลับนะ แต่คนที่พอหนอนออกมาเนี่ยนะมันเจอนกหรือว่านกเนี่ยเจอหนอนนกก็กินหนอนหมดเลยพอหนกกินหนอนหมดลูกพลับก็เลยโตปีนั้นเนี่ยชาวสวนเนี่ยได้ผลเ ต, เต็มเต็มหน่วยเพราะลูกพลับโตเต็มสวนเลยที่โตเต็มสวนเพราะอะไร พ่อไม่มีนอนมาเจาะที่ไม่มีนอนพ่อะอะไรถามเนี่ยตอบได้ไหมไม่มีนอนพ่ออะไรไม่มีหนอนเพ่อมีนกและมีนกพ่ออะไรพ่อมีลูกพับเหลืออยู่คาตน้นชาวบ้านเนี่ยถ้าเห็นแก่ตัวนะคิดแต่เห็นแก่ได้นะเก็บลูกพับหมดเลยนะสุดท้ายเนี่ย พอเจอลูกพ่อหมดไม่เหลือให้นกเลยนะสุดท้ายตัวเองก็เดือดร้อนในปีถัดไปปลูกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ขาดทุนหมดเพราะว่าไม่ได้นึกถึงนกเลยนะแต่ชาวบ้านบางคนฉลาดนะเขาไม่ได้เห็นแก่ได้อย่างเดียวเขาบอกว่าเออมันต้องนึกถึงนกบ้างให้นกมีอาหารกินในฤดูหนาว แล้วพอนกมีอาหารกินฤดูหนาวก็จะอยู่รอดจนถึงฤดูใบไม้ผลิและนกเนี่ยเขารู้จักสำนึกบุญคุณนะเขาขอบคุณนะขอบคุณชาวสวนที่ให้อาหารเขาเขาก็เลยอยู่ช่วยทํางานด้วยการกินหนอนพอไม่มี น, อน้อนลูกพลรำก็โตเต็มที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนเราต้องเห็นแก่ได้นะมันก็จะอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าคนเรารู้จักแบ่งปันก็จะมีความสุขได้ยั่งยืนเนเพราะฉะนั้นที่คุณคที่คุณป้าบอกว่าเนี่ยปลาดวงปลาพวงเนี่ยถ้าจะกินให้นานเนี่ยมันต้องแบ่งให้เพื่อนบ้านเพราะว่าถึงเวลาเพื่อนบ้านเขา มีปลาเขาก็มาแบ่งให้เรานี่คิดแบบเพียงกค่ตัวนะคิดแบบเพียงแค่ตัวคือว่าเออเราช่วยเขาเขาก็ช่วยเราไม่ใช่คนอย่างเดียวเราช่วยนกนกก็ช่วยเราแล้วคนฉลาดก็จะคิดแบบนี้นะนั้นถ้าหาว่าเราอยากจะมีความสุขนะเราต้องรู้จักแบ่งปันให้คนอื่นนะไม่ใช่แค่ปลาไม่ใช่แค่ลูกพลับนะแต่ว่า สิ่งอื่นด้วยและแบ่งปันนี่ไม่ใช่แบ่งปันให้คนอย่างเดียวนะไม่ใช่แบ่งปันให้เพื่อนบ้านอย่างเดียวนะแบ่งปันให้ธรรมชาติด้วยถ้าเรารักษาธรรมชาติสิ่งสาราสัตว์นะธรรมชาติเนี่สิ่งสาร า, นะราสัสาาตว์ก็จะช่วยเหลือเรานะโลกนี้เราต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ไม่ได้ด้วยลําพังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่าให้ระลึกไว้นะถ้าอยากจะมีปลากินานานๆต้องทํำยังไงอ่าสามนเณร แล้วจากแบ่งกพันนะ